เป็นการปากฐกถาเรื่องยุทธศาสตร์ทรมิกรสังคมและทางออกแห่งพุทธธรรมจะสำเร็จได้ต้องสร้างคนให้เป็นอาริยชนโดยพ่อท่านโธทิรักษ์ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตเมื่อวันที่13มกราคม2542ซึ่งจัดโดยมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันเครือหนังสือพิมพ์มติชน สำนักข่าว INN และองค์กรเอกชนอื่นๆอีกหลายองค์กรขอเชิญท่านรับฟังได้นะบัดนี้ ผู้ที่เข้าใจชีวิตเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอราหันต์สมบูรณ์แล้วเหลือชีวิตอยู่หรือยังไม่ยอมจบไม่ดับไม่ดับพบจบชาติจะเวียนมาเกิดอีกก็ตามอัตมาเองเป็นคนพูดว่าพระอราหันยังเกิดได้อีกอยู่และข้าว่านอกรีบในพระไตปิดกเทราวาตมีว่า อย่าไปพูดว่าพระคินนาศบตายแล้วดับศูน์ตายแล้วพินาศตาแล้วไม่เกิดอีกใครไปพูดอย่างนั้นใครไปกล่าวอย่างนั้นเป็นพวกทิฏฐิกะตะปาปะกังเป็นคนมีทิฏฐิลามกเป็นคนบาปนะอันนี้ท่านตรายไปชัดในยมะกะสูตรน ะ, นะในไทรวาสนี้เองนะ เพระงั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งซับซ้อนมากที่อัตมากเกลื่นแล้วว่ า, าศาสนาพุทธทุกวันนี้เนี่ยมันไม่มีผลไม่มีมักมีผล ท, ทั้งทั้งที่ศาสนาพุทธเนี่ยนะถ้ามีมักมีผลเราให้ประกาศก็ผิดไปแล้วประกาศมักผลไม่ได้แต่ประกาศนน่ะอภินิหารอิทธิปาฏิหารบาบาบออะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งเป็นเรื่องกันอยู่ทุกวันเนี้ประกาศได้โครงโคลงหนังสืออิทธิปาฏิหารขายได้เกลื่อน สังคมสงฆ์หรือว่าผู้ดูแลาศาสนาพุทธถือว่าเป็นผู้ดูแลเลยไม่เคยเอาเรื่องไม่เคยจัดการปล่อยให้เละเทะอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสชัดเจนว่าผู้ที่บรรลุธรรมแล้วจงไปประกาศเถิดไปประกาศอย่างบรรลือสีนาะ อนุศาสนีปาติหารต้องบรรลือศีรษนาศให้ประกาศบรรลือศีรษนาศไม่ใช่ไม่พูดไม่ใช่พูดอย่างงอมงเอมเอ ม, มพูดอย่างเบาเบลด้วยบรรลือศีหานาศพูดอย่างสิงร้องกังวาลก้องป่าเลยทีเดียวในพระธรรมปิตูไปดวดตรวดูดดดดเถอะคือคําสอนต่างๆมันซับซ้อนแล้วมันก็กลับตรปัดเห็นถูกเป็นผิดเห็นผิดเป็นถูกเป็นหมดแล้วทุกวันนี้อ่นะ เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ประกาศอนุสาสนีปาฏิหารไม่ประกาศศาสนาที่ถูกตามคําสอนอนุสาสนีคือคําสอนของพระพุทธเจ้าไปประกาศไอ้ที่ท่านห้ามอิติปาฏิหารอเทศนาปาฏิหารท่านห้ามแสดงไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงอวดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงอาบัติแต่อนุสาสนีปาฏิหารนั้นอวดได้อย่างบรรลือศีหนาะตแต่ต้องอวดอย่างระวัง ถ้ามีจริงนะไม่มีจริงอย่าไปอวดอย่าไปแสดงว่าตนเองเป็นพูดได้วันนี้เป็นของพระพุทธเจ้าเรายังไม่บรรลุพูดได้แต่อย่าไปให้คนเขาเข้าใจผิดว่าตัวเองบรรลุโดยเฉพาะไปบอกว่าตนบรรลุโดยที่ตนไม่บรรลุปาราชิถือว่าเป็นการโกหกที่เลวร้ายที่สุดเป็นสุดยอดมหาโจร เมื่อไม่ประกาศสิ่งที่ดีคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ประกาศกันทําไมเรียกปาฏิหาริย์คำสอนพระพุทเจ้าทําไมเรียกปาฏิหาริย์ที่เรียกปาฏิหาริย์เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงคนเป็นการเปลี่ยนแปลงคนตามคําสอนพระพุทเจ้าศีลสรรมาธิปัญญาหลักของพระุเจ้าไม่มีอื่นนอกจากศีลสมาธิปัญญาเป็นสุดยอดแห่งไตรสิกขาเป็นการศึกษาที่สุดยอดที่สุด ในโลกแต่ทุกวันนี้ศีลก็ไปแยกสมาธิก็ไปแยกปัญญาก็ไปแยกมันต้องเป็นองรวมอย่างที่ท่านสันติกรว่าัตมาคงไม่มีเวลาจะได้ขยายความก็คงจะต้องตีหัวเข้าบ้านหรือพูดชัดๆในจุดที่คิดว่าควรจะพูดในที่นี้ในกาลนี้อัตมาไม่ค่อยได้ออกมาไม่ใช่ไม่ค่อยไม่ได้ออกมาสู่สาธารณะ ไม่ได้รับอาตมารับนิ ม, มนต์มาพูดครั้งนี้เป็นครั้งที่สองต่อสาธารณช น, นตั้งแต่อาตมามีเรื่องสิบปีอาตมาไม่ออกไปพูดที่ไหนเลยนอกจากในหมู่ส่วนในเท่านั้นเองพูดที่ธรรมศาสตร์เป็นครั้งแรกนวมาพูดที่นี่เป็นครั้งที่สองที่อาตมาว่าคนทุกวันนี้ ยังไม่เข้าถึงาศาสนาพูดเพราะไม่ได้ปฏิบัติภาวนาภาวนามยปัญญายังไม่มีภาวนาก็แปลว่าการปฏิบัติให้เกิดผลทำให้เกิดผลถ้ามีมักมีผลนั่นแหละปัญญาจะเห็นมักผลของตนจึงเรียกว่าเป็นปัญญาทุกวันนี้มีปัญญาคิดเท่านั้นจินตามะยปัญญาแล้วก็พูดกันเก่ง แม้ได้ในสายศาสนาก็พูดกันเต็มอาตมาจะไม่พูดถึงสายทางโลกเพราะสายทางโลกก็พูดกันจนกระทั่งโอ้โหอาตมามานั่งฟังนี่อาตมาโง่ถนัดใจเลยฟังเกือบไม่รู้เรื่องหลายๆคนพูดอาตมามันอาจจะวิสัยทัศน์มันแคบก็ได้โลกของอาตมาอาจจะแคบลงก็ได้น่รู้สึกว่ามันโอ้โหแต่ละคนพูดออาตมายอมรับว่ารู้มากรู้เก่งรู้เยี่ยมจริงๆ ยอมรับอย่างจริงใจไม่ใช่ประชดนะพูดด้วยความจริงใจรู้จริงๆเลยพูดที่มาพูดวิทยากรคัดมารู้แล้วแต่เก่งเอาละทั้งโลกก็จมาตัดไปทีนี้พูดถึงทางธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยแนวคิดก็เหมือนกันศึกษาศาสนาทุกวันี้มีแค่จินตาสุตตมยปัญญาและจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาคือการต้องปฏิบัติให้เกิดผลภาวนามัภาวนานี่แปลว่าปฏิบัติได้ สกดให้อยู่กว่าร้อยปีก็สกดได้สกดให้ระงับไปได้ทนทานได้ในร้อยปีแต่อย่ามายุ่งกับโลกมากเพราะฉะนั้นลัทธินี้จึงไม่ยุ่งกับโลกนี้เข้าป่าเขาทรรอยู่ในที่สงบสงัดมีเหตุปัจจัยมีผัสสะเป็นปัจจัยมีอยู่บนโล ก, กีเหมือนพระพุทธทาสันว่าเป็นน้ำแข็งกลางเตาหลอมเหล็กนี่เป็นไม่ได้ละลายถ้าคืนเข้ามาอยู่กับโลกนี่ก็คือเตาหลอมเหล็ก น้ำแข็งเหล่านั้นไม่ใช่น้ำแข็งแห่งอริยะละลายหมดอยู่ไม่ได้แต่ความบุตรเจ้านั้นเป็นน้ำแข็งอริยะไม่ละลายอยู่เหนือโลกโล ก, กุตรนะนี่อยู่ในโลกแต่เหนือโลกอยู่เหนือเหนือโลกโล ก, กียะนั่นเองเพราะจิตบรรลุจิตรู้ทันสิ่งที่โลกเขาติดตหลุดพ้นได้ไม่ติดไม่ยึดขาดไม่ติดไม่ยึดนี่ต้องรู้จักตัวตนของความติด เรียกว่าอัตตาติดเป็นอัตตาติดเป็นอัตนิยาติดเป็นตนเป็นของของตนนะเป็นตนเป็นของของตนเนี่ยเป็ น, นอัตตาอัตตาท่านแบ่งไว้หมดนะท่านแบ่งไว้ละเอียดละ อ, อ, อในเรื่องของอัตตาไม่ใช่ละเอียดหรอกท่านแบ่งไว้ไม่ไม่ละเอียดนักท่านแบ่งเป็นภาษาไว้ในประตปิฎกเนี่ยก็ไม่ยาวนะในพระตรปิฎกเล่มเล่มก้านี้เองนะข้อสสอง ท่านแบ่งอัตตาไว้มี อ, อราริกะอัตตามโนมยอัตตาอรูปะมยะอัตตาถ้าไม่รู้อัตตาไม่เห็นสภาวะของอัตตาที่ตัวเองติดเป็นนามธรรมต้องมียานอ่านเห็นแล้วรู้ว่าเราลดอัตตาได้อราริกะอัตตาเช่นบ้านเป็นเราเมียของเราเพชรนินจินดาของเรายศของเราลาภของเราที่เป็นของหยาบ ยึดจนเป็นอัตตายึดจนเป็นอัตนิยายึด่าเป็นของของเราจนเป็นเราไม่รู้เลยไม่เข้าใจเลยว่าจิตของเราเนี่ยมันมันยึดดึงจนกระทั่งเป็นเราอ่าพากไม่ได้จากไม่ได้จะตายตายจากกันก็ร้องห่มร้องไห้จะตายตามอะไรก็แล้วแต่หรือว่าทสั์สลิงขานลาบยศสูญเสียไปบ้างยึดเป็นเราเป็นของเราจนกระทั่งฆ่าแกงกัน อย่างทุกวันนี้ทั้งโลกล่ะข้าแกก็ได้อดากยศยดเป็นอัตตาทั้งนั้นต้องรู้ความเป็นอัตตานี้ด้วยลักษณะกิเลสลักษณะตัณหาลักษณะอุปาทานต้องอ่านออกว่าลักษณะกิเลสต่างกันอย่างไรกับตัณหาอุปาทานต่างกันอย่างไรอ่านในใจออกเลยแยกจิตกับกิเลสออกได้แยกโดยเรียนรู้เลยต้องรู้เลยมีสติปัฏฐานมีการรู้กายรู้องค์ประชุมองค์รวม วิเคราะห์วิจัยออกสามารถวิเคราะห์ได้ว่าความรู้สึกนั้นมีจิตรู้สึกกับมีกิเลสที่ปรุงแบบสังขารและโลกแย ก, ออกว่าที่คือกิเลสมันเป็นเหตุเป็นสมุทยัยมันไปปรุงกับจิตของเรามันไปแทนจิตเลยมันหลอกคนเป็นจิตเจ้ากิเลสตัณหาอุปท า, านนี่อุปท า, านคือกิเลสที่ฝังลึกอุปท า, านนั่นแหละคือตัวอัตตาแท้คือความยึด ต, ติดไว้อุปท า, าน ถ้าไม่รู้อาการไม่รู้ลักษณะเหล่านี้ในจิตใจจริงแล้วมีวิธีลดละจางคลายผู้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าจะต้องรู้จักว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้รู้กายะคือกองประชุมของกิเลสสมมุติเป็นก้อนอย่างนี้เราให้ราคามันตั้งว่ามันเป็นร้อยหน่วยกิเลสขนาดนี้ร้อยหน่วยผู้ที่เห็นกิเลสนั่นคือผู้ที่กําลังเข้าสู่สัมมาทิฏฐิ ถ้าผู้ใดยังไม่มีญาณ <c oughs> เห็นกิเลสของตอนเองหรือเห็นจิตวิญญาณแล้วแยกจิตวิญญาณแยกกิเลสออกจากจิตได้ผู้นั้นยังไม่มีสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิแค่สุตตมยปัญญากับจินตามายปัญญาเท่านั้นในมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตานุทิฏฐิสูตรในประไตรปิฎกเล่มสิข้อสองร้อิบห้าองร้อยห้ของสอง 2 25 5 4 2้5 6หสามสูตรนี้บ่งบอกถึงการรู้อนิจจังในสูตรมิจฉาทิฏฐิบ่งบอกถึงการรู้ทุกขังในสกายทิฏฐิในสูตรสกรายทิฏฐิบ่งบอกถึงการรู้อนัตตาในอัตตานุทิฏฐิต้องเห็นอนิจจังเห็นกิเลสตัวตนนั้นคือตัวตนของกิเลสท่านสันตโกรกภพูดแล้วไม่ใช่ว่าว่างจากอะไรว่างจากตัวตนของกิเลส จับกิเลสได้มั่นมัน่นคันตายแล้วทําให้มันจางคลายได้ตราบใดที่กิเลสบุกี้ตีราคาว่ามันร้อยหน่วยมันไม่เที่ยงเห็นกิเลสแล้วว่าเราไม่มีวิธีลดกิเลสกิเลสมันโตมันไม่เที่ยงหรอกทุกคนถ้าไม่รู้จักวิธีระงับกิเลสกิเลสมันไม่อยู่อยู่คงที่มันมีแต่หนาขึ้นหนาขึ้นโตขึ้น น, นั่นคือปุถุชน ผู้กิเลสหนาขึ้นหนาขึ้นนั่นคือปุถุชนเห็นความเป็นปุถุชนของตนจนกว่าจะมีวิธีสมถวิธีแล ะ, ะวิปัสนาวิธีหรือมีโพธิปักกิยธรรม ท, ทาให้กิเลสตัวเองลดได้เมื่อเริ่มลดได้เห็นกิเลสลดได้นั่นคือญาณตัวเองที่เห็นความจริงว่าตัวเองมีภาวนามายปัญญาแล้วลดกิเลสได้แล้วจะน้อยกาตา่ำ ยิ่งมากจนเห็นชัดเจนแล้วโอ้โหมันไม่เที่ยงแต่เราทามันสามารถทาให้มันคงลดได้วิราคานุปัศสสีตามเห็นตามเห็นความจางคลายได้แต่ก่อนมันรอยหน่วยมันเหลือเก้ามันเหลือ80ดิบมันเหลือเจ็สบนั่นคือลดส ก, กายทิฏฐิเพราะตามรู้เหตุแห่งทุกขนี่คือขั้นทุกไตรลักษณ์นั้นคืออนิจจังทุกขังอย่างนี้ลดเหตุแห่งทุกทุกจึงลด ถ้าลดเหตุแห่งทุกข์ไม่ได้ทุกข์มันก็เพิ่มขึ้นเพราะทุกข์เป็นสมุทัยและทุกข์เป็นตัวรวมทั้งหมดเมื่อลดทุกข์เมื่อลดเหตุแห่งทุกข์ทุกข์ ก, ก็ลดลงเป็นอิทธปัจจยาตาต้องรู้จักสายดับปฏิสมุบะหรืออิทธปัจจะตาสายดับลดได้จริงเมื่อลดได้จริงจนกระทั่ ง, ล, งลดได้อีกขนาดหนึ่งเราเรียกรวมว่าอัตตาก็กิเลสนี่แหละ ภาษาคำอาัตตานี่คือตัวตนเป็นภาษากลางๆเรียกตัวตนของกิเลสตัณหาอุปทานทั้งหมดหรือแม้แต่สภาพนามธรรมา ท, ทั้งหมดก็เรียกอัตตาพะาระอรหันต์ี่เรียกว่าอารหัตตาอาตมาพูดอย่างนี้เขาหาว่าแปลบาลีผิดนะก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอาตมาไม่มีปัญหานะเพราะว่าอาตมาจะขยายความไปอีกนี่ก็คงจะแหมกินเวลายาวมากเกินไปคงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องลึกซึ้งมาก ว่าจะพูดรูปธรรมว่าจะยกตัวยกตนให้ฟังหน่อยยังไม่ได้เริ่มต้นเลยนี่พูดถึงวิชาการแล้วพูดถึงหลักวิธีนี่คือถ้าจะพูดแล้วคืออาตมาพูดถึงทางออกแห่งพุทธธรรมที่อธิบายนี้คือทางออกแห่งพุทธธรรมพูดตัวหลังก่อนในหัวข้อว่ายุธธรรทธศาสตร์ทำมิตรสังคมและทางออกแห่งพุทธธรรมการปฏิบัติอย่างนี้คือทางออกอาตมาจะขอตัดเลยนะว่า พอสรุปอันนี้นิดหนึ่งตรงที่ว่าเราเห็นอันิี้จังอย่างที่กล่าวแล้วว่าเห็นความไม่เที่ยงของกิเลสอัตตาตัวตนและรู้ว่ามันมากขึ้นนั่นคือปุถุชนมันลดลงได้คืออาริยชนลดลงไปมากมากมจากสักกายะคือตัวตนใหญ่สักกายะนี่คือตัวตนหหญ่ตัวตนแรกที่เราต้องเรียนรู้ก่อนของตนเองลดลงไปได้มากๆากมากมาอัตตาก็เล็กลงเล็กลงเรื่อยๆอัตตาคือตัวกิเลสตัณหาอุปาทานที่เราลดนี่ลดลงเล็กเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงอาสวะก็แปลว่าอัตตาสักกายะก็แปลว่าตัวตนอัตตาก็แปลว่าตัวตนอาสวะก็แปลว่าตัวตนจนเห็นแล้วว่าเราเหลือเล็กเหลือน้อยเหลือแค่รูปราคะรูปราคะมานะอุทธจักรหรืออวิชชาส่ว น, ส, นสุดท้ายซึ่งเป็นสังโยชน์เบื้องสูงเราลดลงได้จนกระทั่งหมดอาสวะก็คือหมดอัตตา อัตตาตัวน้อยที่สุดคืออาสวะดับอาสวะสิ้นก็คือไม่มีอัตตานั่นคืออนัตตาผู้ที่เห็นไตรลักษณ์อย่างนี้ด้วยยานด้วยความเป็นจริงของสภาวะของตนเองนั่นคือพูดถึงซึ่งไตรลักษณ์สมบูรณ์รู้จักอนิจจังแท้ทุกขังแท้และถึงขั้นอนัตตาแท้ไม่ใช่อนัตตาแค่ตรักกาสตร์อะไรมันก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรก็ไม่ใช่ของเรา พนักตักศาสตร์เยอะอาตมาเจออาจารย์เซนเป็นฝรั่งแต่ก็พูดไทยได้มาคุยกับอาตมาจะมาคุยกับอาตมาเนี่ยนากแดงแดงอาตมารู้แล้วนี่ไม่รอเบียก็รอเหล่ามาแล้วดูบุรีมาด้วยข้ามาคุยมาถึงกับพูดหลักมาพูดธรรมะภาษาเซนแบบเซนเซนอาตมาก็ฟังเขาก็พูดไปตาม นั่นแหละปะัชญาเซียนมีเยอะอัตมาคุยแล้วก็ว่เอาละท่านก็เข้าใจของท่านอัตมาก็ว่าอัตมาก็เข้าใจของอัตมาสมัย อ, อัตมาเนะีอัตมาก็ล ะ, ล, ะลดสิ่งที่เล็กที่น้อยก่อนที่รู้ชัดเจนอย่างเหล่าอย่างบุหรีเพราะว่าเขาอือบุรีเขากินเหลา้าอัตมาก็พูดเนี่มันถูกตัวเขาอะนะไปลดเหล้าลดบุรีก่อนอย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งกิเลสหมดไม่ติดยุดแม้เหล้าแม่บุรีได้ก็ออนั่นแหละลดกิเลสอัตมาบอกอย่างนี้ ท่านอาจารย์ผู้นี้ก็บอกอาตมาเลยด้วยภาษาเซนว่าก็ในเมื่อตัวเราไม่ใช่ของเราตัวเราไม่มีเอาอะไรไปปฏิบัติอาตมาก็ท่านกลับได้นะก็ท่านหม่มีตัวตนซะแล้วนี่อาตมาก็จะทํำยังไงได้นะอาตมาก็ากท่านก็เข้าใช้ของท่านทางก็ตัดเถอะอาตมาเขคงพูดกันไม่รู้เรื่องหรอกเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ทุกวันนี้เนี่ยเรียนรู้ในตรกศาสตร์มาก ไม่สามารถเข้าใจหลักพวกนี้กันจริงๆก็เลยไม่ค่อยได้สมบูรณ์นักนะแม้แต่คําว่าศีลแม้แต่คําว่าสมาธิหรือคําว่าปัญญาดังที่กล่าวนี้อัตมาขยายคาว่าปัญญาเท่านั้นนิดหน่อยศีลก็ดีก็อธิบายกันว่าศีลนั่นคัดเก่ากายวาจาสอนก็อยู่ในประเทศไทยในทั้งประเทศสมาธิก็คือสมาธิเป็นไง ไปนั่งหลับตาเอาหลับตาไปหลับตามาก็ไปเห็นพระอาจารย์อยู่บนท้องฟ้าสิจะมีปัญหาอะไรมากสิ่งเหล่านั้นเป็นมโนมยะอัตตาไม่ใช่มโนมยอัตตาด้วยเห็นอาจารย์เห็นลวปูแหวนนั่งอยู่บนเมฆเห็นพระอาจาร ย, าย์ใหญ่นั่งอยู่บนพระอาทิตย์เนีย่ยนั่นคือโอราริกอัตตาอัตตาหยาบจนกระทั่งเป็นภาพเป็นรูปเป็นตัวเป็นตนแต่ก็ไม่เข้าใจอัตตาทั้งหลาย มนโนมยอัตตาเนะี่ยคืออัตตาเพ่งเข้าไปอยู่ข้างในอย่างพวกนั่งสมาธิเนี่ยนั่นแหะเพ่งเห็นลูกแก้วอย่างเงี้ยลูกแก้วมันอยู่ข้างในเป็นอุคหานิมิตนี่คือมนโนมยอัตตารูปที่สําเร็จด้วยจิตเพ่งเป็นรูปพระพุทธรูปเพ่งไปเสร็จแล้วก็เกิดรูปพระพุทธรูปปร ะ, รปประเดี๋ยวก็เสียนปุ้มปรเดี๋ยวก็เสียงแหลมแล้วก็ทะเลาะกัน แยกวงเพราะองค์นึงองค์งไหนวุ่มบอกถือว่าของจริงองค์แหลมบอของเขาเขาช่า ง, งจริงก็เลยต้องแยกวงพวกนี้นิมิตหลอกทั้งนั้นเป็นมโนมยะอัตตางี้เป็นต้นหรืออรูปรมยอัตตาอารูประอัตตาอัตตาที่เป็นอรูปอรูปคือความคิดความฝันความอะไรในความเชื่ อ, อแม้แต่เชื่อแบงนี้ถูกต้องเชื่อบัตทุนนิยมดีนี่ก็คืออรูปอรูประอัตตา รัฐที่อย่างนี้ดีรัฐที่อะไรอะไรโอ้โหเยอะแยะพูดมาฟังกันไม่หวัดไม่ไหวแนวคิดนี่คิดส่วนมากก็สงเคราะห์เข้าในอรูปอัตตาอรู ป, ปะไม่อัตตาได้ทั้งสิน้นคือเป็นแนวความคิดแนวความคิดความฝันความเพอจะปฏิบัติได้สําเร็จหรือไม่ไม่รู้ออกนอกเรื่องนอกราวเรื่องปรุงแต่งเรื่องราวอะไรมันเยอะแย ะ, ยะสิ่งเหล่านี้คืออัตตาที่เราจะต้องเรียนรู้ทั้งหมดแล้วก็ต้อง อยู่เหนือสิ่งเหล่านี้อย่างชัดแจ้งอย่างรู้เลยว่าเราไม่ได้ติดยึดในอัตตาทั้งหลายแหละนี่อัตมาผู้ย่างสรุปมันไม่ง่ายไดดังที่พูดนี่เราต้องศึกษาฝึกฝนจริงๆ น, นี่คือวิชาการหรือวิาทางทางออกแห่งพุทธธรรมต้องปฏิบัติให้เข้าถึงอันนี้ต่ออีกนิดหน่อย ปฏิบัติให้มีคนบรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลอย่างนี้จึงจะกอบกู้สังคมได้ถ้าไม่สามารถเป็นอริยบุคคลก็คือธาตุของโลกียะนั้นตลอดการแต่มีความเฉลียวฉลาดซับซ้อนเล่กลเชิงชั้นผู้ฉลาดกว่าได้เปรียบอยู่ในโลกนี้แล้วก็ทำกันอยู่ทั้งโลก เพราะฉะนั้นจะกอบกู้สังคมขึ้นมาได้ก็คือต้องเป็นคนที่มีลัทธิสังคมลัทสังคมที่เป็นคนมีธรรมะโดยเฉพาะมีอาริยธรรมมีธรรมะที่เกิดการบรรลุธรรมเป็นคนโลกุตระบุคคลไม่ใช่คนอย่างโลกีต้องเห็นจริงเลยว่าสิ่งนี้วางได้ปล่อยได้ลาบปล่อยได้ รัพสลิงคานปล่อยได้วางได้จริงๆไม่ติดไม่ยึดไม่ติดไม่ยึดแม่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มันเป็นรถอัจฉาิรูปก็คือรูปเราเห็นรูปดอกไม้สวยแต่ไม่ได้มีอัจฉาะไม่ได้มีรสอร่อยกับดอกไม้สวยรู้สมมุติโลกเขาสมมติว่าอย่างนี้สวยรู้ได้ยิ่งอัตมาเรียนศิลปะมาด้วยไม่มีปัญหารู้ได้มันสวยตามสมมติโลกแต่เราไม่มีอัจฉระคุณรู้ไหมล่ะอ่านออกไหมว่าอัจฉระคืออะไร คุณกินอาหารอร่อยรสอร่อยของอาหารนั้นเป็นอัศธะเป็นกิเลสตัะหาอุปาทานหวานมันไม่ได้อร่อยอะไรพริกเผ็ดมันก็ไม่ได้อร่อยอะไรแต่คนชอบเผ็ดกินเผ็ดแล้วโอ้โหอร่อยไม่ได้เผ็ดก็กินข้าวไม่ลงนั่นคุณติดมันมันเป็นอัตตาเป็นอัตตาเป็นตัวตนของกิเลสอย่างนี้เป็นต้นต้องเรียนรู้ให้ชัดเจนทั้งหมด คนสรุปแล้วคนต้องมาเป็นอาเรียบุคคลให้ได้จึงจะแก้ปัญหาเสเ็จเพราะอะไรเพราะผู้ที่ไม่ติดลาบยศสันเสริญโลกยสุขจะมาบริหารประเทศจะมาช่วยสังคมอย่างแน่ชัดเขาจะไม่ถูกคนที่เป็นนักมแอคทีวิสในสังคมโมโหนะก่อนนี้เจ๋งอุดมการเจ๋าพูดนิด รับรองโอ้โหเหตุผลความรู้แหลมลึกพอไปได้ตำแหน่งได้ยศได้ฐานะเข้าไอตอนแรกก็ดูขแข็งขันเดียกล้านนึงไม่ยีระห้าล้านตอบช้านิดหนึง่งห้าสิบล้านเนีขอคิดดูก่อนร้อยล้านไม่ต้องคิดหรอกเอามันเลย อุดมการณ์หายไปแล้วคนพวกนี้ไม่มีความเที่ยงไม่มีความมั่นคงไม่มีความ ย, ายั่งยืนอย่าใช้คำว่าเที่ยงเลยเดี๋ยวจะไปสับกันก็นิดจังความไม่ ย, ยั่งยืนนั่นเองไม่มีความ ย, ายั่งยืนไม่มีความมั่นคงเพราะรากเหง้าของกิเลสไม่ได้ถอนไม่ได้ลดจริงเพราะฉันถ้าเผือว่าสังคมคนไม่เป็นอริยะบุคคลเข้ามาบริหารสังคมหรือเข้ามาช่วยสังคมจริง ถ้าทายได้ว่าแก้ปัญหาสังคมไม่ตกโลกทุกวันนี้ไม่ได้ศึกษาโลกรุตระอย่างนี้อย่างที่กาลังพูดข่าวสันส้นๆนี้จึงแก้ปัญหาไม่ได้มีแต่วัวพันหลักหรือมีแต่งูกินหางทั่วโลกและมันกาลังคอดเข้าไปทุกทีงูกินหางกำลังมาถึงหัวแล้วเนี่ยหมดอาณานิคมทุกวันนี้ไม่ใช่อาณานิคมต้องถือปืนถือมีดไปฆ่ากันเหมือนสมัยโบราณ อนานิคมทางเศรษฐกิจอนานิคมทางวัฒนธรรมอนานิคมทางสังคมสังคมศาสต ร, ร์หมดทั้งโลกแหล ะ, ะก็ขอสรุปทางออกแห่งพุทธธรรมเป็นคำสุดท้ายว่าแม้ในศาสนาทุกวันนี้ก็ไม่สร้างคนเป็นแต่เพียงศาสนาสงเคราะห์ขอฝากคำสองคำไว้ว่าสร้างคนกับสงเคราะห์ การบริหารประเทศก็บริหารอย่างสงเคราะห์ไม่ได้สร้างคนไม่ได้สร้างคนให้เขาใจประชาธิปไตยไม่ได้สร้างคนให้เป็นคนเสียสละที่จริงนักบริหารนักการเมืองเองก็ไม่สร้างตัวเองให้เป็นอาริยะพอมาทํางานก็มีแต่สงเคราะห์เป็นนักการเมืองก็บอกโอ้เงินเดือนไม่พอต้องเป็นไปจ่ายคนไปนั่นจะไม่ได้จ่ายไม่ใช่เรื่องเลยนักการเมืองจะต้องเอาเงินไปให้ประชาชน ขอให้ไปกินข้าวไม่ใช่ให้ไปแจกประชาชนแล้วก็ขอคืนเงินเดือนไม่ทุกไม่ถูกเรื่องเลยอย่างนี้เป็นต้นนักการเมืองก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรไม่ได้สร้างคนเป็นนักประชาธิปไตยไม่ได้สร้างคนให้เป็นผู้ที่รู้จักประชาธิปไตยและพัฒนาคนตนเองเป็นประชาธิปไต ย, ยนี้เป็นต้นสรุปแล้วก็คือทางออกของพุทธธรรมนั้นต้องสร้างคนให้เป็นอริยะการศึกษาก็ไม่ได้สร้างคน มีติดติดอาวุธให้เป็นลาบโลราลาบยศสันเสริญโลกีสุขการศึกษาทั้งโลกเราก็พูดกันมามากแล้วว่าการศึกษารุ่มเหลวรุ่มเหลวจริงๆเพราะงั้นปัญหาอยู่ที่ไม่ได้สร้างคนทางออกให้พุทธธรรมคือต้องสร้างคนให้เป็นอาริยชนให้สาเร็จตรงนี้ก็ขอจ บ, จบตรงนี้ไว้ก่อนทีนี้มาถึงยุทธศาสตร์แม่อาตามาจะกินเวลาไปนานนะเนี่ย มันต้องให้อัตมาสักสี่ชั่วโมงเนาะ <laughs> แค่อันนี้มันจะไปได้อะไรเนาะอาที่นี้ยุทธศาสตร์อันนี้ก็พิธีกรพูดมาเองว่าให้พูดเป็นรูปธรรมยุทธศาสตร์ของอัตมา ก, ก็คือการสร้างคนนี่แหละแล้วการสร้างคนให้เป็นอริยะยาอย่างน้อยต้องสร้างตนเองให้เป็นอริยะก่อนอิทัพปัจจยตาคือ สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งนี้ในปฏิสมุบบาทอิทธิปยาตาหรือว่าธรรมนิยามนี้บอกว่าหนึ่งตัทตาอวิทธตาอ น, นัญญาตตาอิทธปัญยาตานี่คือธรรมนิยามสี่ประการเป็นปฏิสุบบาท ต, ตนเองต้องถึงขั้นตัทตาก่อนเพราะฉะนั้นต้องมาสร้างคนยุทธศาสตร์คือต้องสร้างคนให้ถึงตัทธตา ให้ถึงอวิทธตาให้ถึงอนัญญาตาให้ถึงอิทัปปจยตาตาตาคือความเป็นเช่นนั้นตัทธับแล้วว่าความจริงต้องให้ตนเองเป็นโสดาบันจริงเป็นสกิทาคามีจริงเป็นอนาคามีจริงเป็นอรหันจริงเมื่อเป็นจริงจนเป็นในตัวเองไม่ต้องมานั่งคุมไม่ต้องมานั่งสังวรไม่ต้องมานั่งระวังมันเป็นโดยอัตโนมัติมันเป็นเองมันเป็นเช่นนั้นเอง เป็นจนคล่องแคล่วเป็นจนเป็นปกติอย่างที่ว่านี่ปกติคือความสมบูรณ์เป็นจนเป็นธรรมดาจนเป็นปกติจนเป็นธรรมะอย่างนั้นในตนเองเรียกวันตัตาแต่ถ้าตัตาอย่างตักกะสาก็คือเออทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นเองเป็นอย่างนั้นของมันเองมันไม่เที่ยงมันเป็นไม่ใฉยตัวไม่ใช่ตนก็คิดไปได้ว่าอย่างนั้นเป็นเองใช่อะไรแอมมันก็เป็นเองนั้นแหละนอกจากศาสนาที่มีพระเจ้าสร้างเท่านั้นแหะที่มันไม่เป็นเอง แต่ของพระุทธเจ้านั้นเป็นเองในส่วนที่เป็นแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเองเป็นธรรมชาติธรรมชาติมันก็เป็นเองแต่ธรรมชาติในเสือสิ่งที่เป็นโลกียะเป็นปุถุชนมันก็เป็นเองแต่อันนี้ต้องทำให้ได้เป็นโลกุตระจนเป็นเองจนมันเป็นโสดาอย่างปกติเป็นสกิทาคามีอย่างปกติเป็นอนาคามีอย่างปกติอย่างเป็นเองเป็นอัตโนมัติอย่างเอา ตัตาอาวิทธตาอาวิธตาหมายความว่าเป็นความหมายที่ไม่แปลเปลี่ยนอวิทธตาไม่แปลเปลี่ยนเป็นอย่างชนิดที่มันไม่แปลเปลี่ยนมันเป็นความยั่งยืนขึ้นมาตั้งแต่โสดาบันในอัตมาก็มีเวลาจะอธิบายว่าคุณลักษณะของโสดาบันมีทั้ง8ประการอะไรเนี่ยก็คงขยายไม่พอไม่ทันก็พูดตรงนี้ก่อนก็เลยพูดตัจวจบ อ, อวิทธาก็คือไม่แปลเปลี่ยนอนัญยัตาก็คือ การเป็นอื่นจากนี้ไม่มีอีกอันนาบอกอัญญาการเป็นอื่นจากอันนี้ไม่มีอีกเป็นอย่างนี้เป็นแล้วเป็นเลยนี่คือความยั่งยืนของคุณสมบัติอันวิเศษของจิตวิญญาณที่ทาได้จริงเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเป็นสิ่งนี้แล้วจิตวิญญาณเป็นสิ่งนี้จึงจะเป็นสิ่งต่อไปได้อิทัปปเจยตาเพราะฉะนั้นถ้าสร้างคนให้ไม่เกิดเป็นคนที่เป็นอริยชนแท้ พันแท้แล้วจะไปสร้างคนที่เป็นพันแท้ไม่ได้ตนต้องเป็นพันแท้ก่อนต้องมีสิ่งนี้ก่อนสิ่งนี้จึงเกิดอิทัปปเยตาเพะต้องสร้างให้เป็นอริยชนก่อนตนเองต้องสร้างให้เป็นอริยบุคคลให้ได้แล้วอริยบุคคลก็จะไปต่อเชื้อพันแท้เป็นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะตนเองได้ทํากิเลสซึ่งเป็นสิ่ง น, นั้นให้ดับกิเลสดับจึงเกิดอริยบุคคล เมื่อเป็นอรรยบุคคลแล้วจึงไปต่อเป็นอารยบุคคลได้จริงนี่คืออิทธิปยาตานะพราชการสร้างคนนี่แหละคือยุทธศาสตร์เอาละทีนี้อาตมาก็ขอยกรูปธรรมขอยกตัวยกตนอวดตัวอวดตนขออาภัยถ้าผู้ใดฟังแล้วอาการไม่คดีทางลำไส้หรือท้องอะไรขึ้นมาก็ขออาภัยอย่างมากจริงๆ อาตมาทำงานมาเกือบ30สปนะีรวมกลุ่มอาตมานับตแต่รวมกลุ่มมาจริงๆนี่ตั้งแต่พศออ1 6. นะึ่งหกจนกระทั่งมาถึงบัดนี้ก็ปาเขาไปย5ิหปีโดยการสร้างคนตามที่อาตมาเชื่อว่าอย่างนี้ถูกต้องตามทางพุทธศาสนาและอาตมาก็พยายามสอนแนะนำอย่าง ที่อาตมาเข้าใจโพสที่ปักพิยธรรมคือปฏิบัติอย่างไรศีลสมาธิปัญญาคืออย่างไรสมาธิหมายความว่าอย่างไรปฏิบัติศีลแล้วจะขัดเกลาจิตไม่ใช่ศีลขัดเกล้าแค่กายวาจาส่วนสมาธิไปนั่งหลับตาเอาแยกส่วนอย่างนั้นไม่ใช่ศีล น, นี่แหละจะขัดเกลากายวาจาและขัดเกลาจิตโดยเฉพาะต้องขัดเกลาจิตขัดเกลากิเลส ถ้าศีลไม่ขัดเกลาเกลียดไม่มียานปัญญาเห็นนั่นคือยังไม่บรรลุยังไม่เป็นสมมาทิฐิอย่างสมบูรณนะ์ในกิมัติยสูตรในพัตตบิดกเลม่ม24พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเลยว่าในเลมยี่สี่ข้อหนึ่งเลยกับข้อ208มันมีสองข้อด้วยกันเหมือนกันเลยกิมมัติมัติยสูตรทั้งสองข้ออยู่ในพัตตบิดกเลมี่ม24นั้นท่านตัดไว้ชัดเลยว่าศีลที่เป็นกุศล ผู้ปฏิบัติศีลที่เป็นกุศลจะถึงวิมุตติยานทศัศนะนั่นคือศีลอ น, นิสงส์ของศีลเดี๋ยวนี้ก็อธิบายบอกว่าศีลมันจะปฏิบัติศีลมันจะไปเป็นอรหันต์ได้ยังไงก็เชิญไปเถียงกับพระพุทธเจ้าแต่เอาละเราไม่พูดถกเถียงอะไรกันอาตมาพามาปฏิบัติจึงเห็นผลจริงขอยืนยันว่าศาสนาพระพุทธเจ้านั้นเป็นของจริง เป็นอริยบุคคลได้จริงถ้ า, าศาสนาพุทธปฏิบัติเป็นอริยบุคคลไม่ได้พระพุทธเจ้าโกโหกเรามาตั้งแต่ 2,500 กว่าปีแล้วใช่ไหมแต่ไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีสมาธิปฏิบัติให้ถึงมีความเพียรจริงปฏิบัติจริงตราบใดผู้มีผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบตราบนั้นโรคไม่วางจากพระอรหรันต์ ต้อมาปฏิบัติต้องมาสร้างคนยุทธศาสตร์ต้องสร้างคนให้จริงอาตมาทํางานมาอาตมาขอประกาศว่าพวกเราเป็นอาริยะเป็นอาริยะไม่ใช่ว่าเป็นอาริยะอย่างไม่มีอะไรมีหลักฐานเขาลดโลภเขาลดโกรธได้อาตมามีชุมชนอยู่ขณะนี้ถ้าจะว่าชุมชนทั่วประเทศแล้วก็มีไม่ต่ํากว่า50บกลุ่มทั่วประเทศขณะนี้ ไม่ต่ากว่าห้ิกลุ่มตอนนี้เรากําลังทําเครือข่าย mm. กําลังตรวจสอบกันสถิติดูซิว่าอสโศกอยู่คืออาตมาไม่ได้อยากได้บริวารอะไรก็คือไม่เคยตรวจสอบใครจะมาปฏิบัติก็ปฏิบัติไปแต่ตอนนี้เราต้องทำแล้วคนมาถามเหลือเกินมีอยู่ไหนบ้างอยู่ไหนบ้างมีเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เป็นตน้นซึ่งเราก็ไม่รู้จะเท่าไร่ก็ช่างหรอกใครปฏิบัติได้ก็คือปฏิบัติได้คนอยู่ใกล้ชิดก็รู้คนอยู่ไกลเราก็ไม่เคยรู้เท่าไรผ่าย25ปีอาตมาพาปฏิบัติมา คนที่ยืนยันได้เป็นรูปธรรมก็คืออย่างเมื่อวานนี้ก็เอานี่ก็มาวันนี้คุณใบฟ้านี่ก็ทํางานเป็นนักวิจัการอย่างที่ว่านีเป็นอาจารย์พยาบาลเป็นรองคณะบดีอดีตเป็นรองคณะบดีอยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เคยเป็นรองคณะบดีอยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ ก็ลาออกจากงานมานี่กี่ปีไม่รู้อาตมาจําไม่ได้แล้วนานปีแล้วล่ะตอนปลาออกมาใหม่ๆหัวยังไม่งอกตอนนี้ก็หัวงอกแล้วรายได้มีทรัพยบสลิงคารก็ได้จดถาบดาศัก็มีแล้วก็ลาออกมาอย่างนี้เป็นต้นนี้อาตมายกตัวอย่างคือมันไม่ใช่มีคนเดียวนะมันมีเป็นร้อยเป็นพันขณะเนี้ยพูดชัดๆก็คือชาวอโศกเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้เป็นรูปธรรม มีสิ่งที่ยืนยันเขาเป็นสุขดีอยู่หรือสุขอย่างไรสุขเพราะมีลาบเหรอได้ลาบมาชื่นใจสุขมียศสุขเหรออาตมาพามาลดพามาลดมาจนคนต้องมาจนเพราะฉะนั้นคนจะไม่มาเหมือนทงธรรมกายที่นี่อาโศกไม่มาคนรวยไม่กล้ามากลัวหมด <c oughs> เพราะฉะนั้นชาวาโศกนี่คนรวยๆนี่มาถึงหน้าประตูพอพูดว่าต้องที่นุ้พามาจนทนะ ครั้งที่สองไม่มาเลยจริงๆพ่อของคุณสุรัตน์โอสตานุเคร์นี่เคยไปไปก็ไปอาตมาก็ให้นั่งกับพื้นนั่นแหละแล้วก็พูดให้ฟังตั้งแต่บัด น, นั้นไม่มาจนตายมาครั้งเดียวย่างเป็นต้นรวยน ะ, ะพ่อของคุณสุรัตน์โอสถานุเครติงหอยู่วะไม่รวยไงคนรวยหลายคนไปที่นั่นไปได้ครั้งหนึ่งสองครั้งเป็นอย่างมาก พระองคนก็คนจนๆมาจนไม่เป็นไรอาตมาไม่ได้ไม่มีปัญหาเรื่องจนเรื่องรวยมาลดลาบยศสันเสริญแล้วก็ลดแล้วก็เป็นสุขไหมเป็นสุขบูโพสมโมสุขสุขอย่างสงบสุขอย่างระงับสุขอย่างเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรถ้าอยู่ถ้าสุขไม่สุขมันก็กดคมหรือว่าอดทนเอามันอดทนไม่ไหวหรอกคุณห้าปีสิบปียี่สิปีนี่ก็บางคนก็20กว่าปีแล้วก็ยังเห็นอยู่สุขดี ผลที่ได้อัตมาก็ต้องยอกตัวอย่างอย่างนี้ง่ายๆอย่างงี้นะซึ่งเมื่อวานนี้ถ้ามาฟังก็คุณใบฟ้าก็พูดเป็นรูปธรรมมากมีเวลามากก็อัตมาเนี่ยอัตมาพูดไปพูดไปจะสาโมงแล้วเดี๋ยวท่านไปสาลไม่ได้พูดเลยก็ขอตงหัวเข้าบ้านว่าผู้มาปฏิบัติแล้วมันจะเกิดอะไรจะเกิดเป็นสารานิยธรรมหก สารานิยธรรมหกนี้อัตมาขอยืนยันว่าเป็นรัฐศาสตร์เป็นสูตรรัฐศาสตร์ที่วิเศษเป็นสังคมศาสตร์ที่วิเศษเป็นเศรษฐศาสตร์ที่วิเศษในสารานิยธรรม6กเนี่ยมีอะไรบ้างเมื่อวานนี้คุณใบฟ้าก็พูดไปแล้วมีเมตตาเมตตาเกิดจริงไม่ใช่เมตตาปลอมๆไม่เช็ตากดคมคุณชวนนี้มีเมตตามากนะแต่ไม่ใช่เมตตาอาริยะนะ ไม่ใช่เมตตาอริยเมตตาอริยต้องบริสุทธิ์จากกิเลสหรือว่าต้องน้อยจากกิเลสจริงๆมันมีจิตเมตตากรุณามุทิตาและมีอุเบกขาของตนเองจริงนะมีเมตตากายกรรมหนึ่งมเมตตาวิตีกรรมสองมเตรรมตตาโ ม, มโนกรรมสมแล้วก็มีหลักกลางที่สําคัญคือมีสาธารณโภคีสาธารณโภคีนี่แหละคือสังคมนิยมคือความมีส่วนกลาง อย่างพวกเราเนี่ยอยู่กันหมู่ห ม, ม, มููเป็นหมู่ชุมชนอย่างที่คุณใบฟ้าพูดเมื่อวานนี้แล้วอยู่กันข้าวเราก็มีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเสร็จเห็ดมีเก็บนะป่ยเจ็บมีคนช่วยดูแลรักษาขี้หมามีคนช่วยกวาดผ่าขาดมีคนช่วยกันปะคนช่วยกันชุนนะคือเกื้อกูลกัลกนช่วยกันทํางานช่วยกันสร้างสรรค์ได้มาก็เอามารวมส่วนกลางเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ประชาอโศนี้มันสุดตรงก็ขอบอกตรงนี้นิดนึง อาตมามียุทธศาสตร์อย่างไรอาตมามียุทธศาสตร์สร้างยอดมหาตน้นเพราะอะไรเพราะต้องสร้างครูก่อนต้องสร้างต้นแบบก่อนเพราะฉะนั้นจึงคัดเลือกมากเลยวิธีการอาตมาบอกพวกคุณไปพวกคุณก็เอาไปทำไม่ได้หรอกคืออาตมาทำให้พวกคุณชังแล้วพวกคุณจะได้ไม่เข้ามามาก ถ้าเข้ามามากอัตอมาทำงานไม่ได้อัตอมาเค้นคันเอาแก่นแก่นไม่ได้คนจะต้องเอามาเคียวเคียวเคียวเคียเค่ยวคยว ค, ยวคัดเอาคนที่จะต้องเอนทรานสอบเอนทรานเข้ามาได้ก่อนสอบเข้ามาได้ในหัวกะทิเลยในยต้องหัวแข้งจริงๆเพราะฉะนั้นในรุ่นแรกๆนี่เคี่ยวกันหนักไม่เกี่ยวกันนอ ก, นอกข้างนอกเขาเท่าไรเราเอาในของเราเนี่ยพยายามเคี่ยวให้ได้ได้จากยอดมา ก, ก่อน นี่คือยุทธศาสตร์นี่คือการสร้างการทำเมื่อได้รุ่นพี่นี่มีของจริงมีอริยะบุคคลจริงเขาจึงมาขยายออกมาทุกวันนี้ก็ยังขยายไม่ได้มากเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอาโศกนี่มันมีแต่พวกของตัวของตนพูดมาใดมันก็เป็นแต่ อ, อกตัว เ, เองมันดูสิมันมีแต่อัตตามานะเรามาลดอัตตามานะนะเราไม่ได้มาสร้างอัตตามานะนี่แนวลึกมีความจริงแต่คนอื่นมอง ว่าเรามองอัตามาว่ามีแต่อัตามา น, นะแต่ผู้ที่พูดว่าพวกเราพวกอัตามานเนี่ยท่านมีอัตามานนะท่านรู้จักอัตามาไหมแล้วท่านได้รู้มีวิธีลดไหมท่านบอกว่าแต่เรามีมัดอัตามาณะนะว่าเราจะสร้างคนมาในแนวนี้แหละลักษณะนี้แหละบอกแล้วว่าเผยไต่ให้ฟังนิดนึงว่าเราสร้างในวิธีการแต่ไม่ใช่คนเกลียดชังจนกระทั่งเกินการเกลียดพอรับได้ เกลียดพะที่คนมีปฏิภาณปัญญาจะรู้สึกว่าไอ้นี่มันเหมือนบ้าแต่มันก็มีดีอันนี้มันน่าเกลียดน่าชังจะมาเลยแต่มมันก็น่าครบอยู่นะมันเป็นเชิงวิพากษ์มันเป็นเชิงวิพากษ์อย่างที่พูดพูดกันนะ่ะมันมีดิเร ctic หน่อยก็เป็นธรรมดาเราทําอย่างนี้มาจนทุกวันนี้อโศม ก, ก็ยังมีลักษณะนี้อยู่พวกคุณเห็นดูบางทีก็เออเขดูดีนะแต่มันก็ไม่น่ารัก ใช่อโศกนี่เหมือนส ก, กังของสังคมอตมาไม่ใช่สัตว์แบบัดไทไทยมันดูน่าเกลียดเหมือนส ก, กังของสังคมทุกวันนี้ก็ยังเป็นของแสลงของสังคมอยู่คนยังไม่กล้าที่จะรับที่จะแตะต้องหรือจะมาอะไรกวเพื่อนกวเหม็นอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่มีปัญหาเราทำอย่างนี้ยุทธศาสตร์ของเราสร้างให้ได้ซะ ก, ก่อนและคนเหล่านี้ มีปริมาณมากพอก็จะไปช่วยสังคมได้อาตมาก็ขอบอกอีกนิดนึงว่าคนดีหรือคนที่เป็นอริยะนี้จะต้องสร้างกันต้องมาทำกันนี่เป็นทางออกแห่งพุทธธรรมหรือเป็นยุทธศาสต ร, ร์ที่จะทำให้สังคมนี้เจริญได้เป็นอยู่สุขได้ต้องมาเป็นรวมลักษณะของคอมมิวนิสต์ก็ตามลักษณะของสังคมนิยมก็ตามสู้ของพุทธไม่ได้หรอก มีสาธารณโภคีสาธารณบุคีก็คือแบ่งกันกินแบ่งกันใช้มีสาธารณโภคีก็คือบริโภคนี่แหละมีส่วนบริโภคนี่กินกันเป็นส่วนกลางอ่าเป็นของสาธารณะแต่จะสาธารณะได้คนก็จะต้องไม่คีโลกถ้าคีโลกมันจะไปวางไปเป็นสาธารณได้แล้วมันก็แย่งกันตายมันก็คีโลกไว้เป็นของส่วนตัวหมดสิใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเป็นสังคมชุมชนที่อยู่อย่างสาธารณโภคีได้คนก็ต้องถึง ต้องบรรลุต้องอยู่อย่างที่ไม่โลภอาตมาทำงานมา20กว่าปีเกือบ30ปีนี้ในสังคมกลุ่มของพวกราตมาไม่เคยชกกันปากแตกไม่มีเลย20กว่าปีไม่มีทะเลาะวิวาทชกกันปากแตกควรกันเลือดไหลผู้หญิงก็ผู้หญิงก็เยอ ะ, อะไม่ไว้ลงไว้เล็บไม่ควรไม่เคินกันไม่ไม่โกรธกันถึงขนาดอย่างนั้น แต่ก็มีบ้างในกิเลสที่ยังไม่สูงสุดมันก็ต้องมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงขนาดนั้นเรื่องโลกอยู่ได้อย่างที่ว่านี่มีสาธารณโภคนีนี่ยกตัวยกตนนะถ้าใครจะหมั่นไส้ก็ขออภัยจริงๆทำอย่างนี้ละคนในสังคมนี่มองมองมองมองแล้วก็หาว่าอย่างวันนี้เข้าใจยังไม่ได้ต้องมีของจริงต้องมีความจริงต้องเป็นอริยบุคคลขอย้าอีกครั้งหนึ่งว่าพุทธศาสนาต้องเอาโลกุตระหรือเอา อารยบุคคลจริงๆนี้ให้ได้นี่คือยุทธศาสตร์สำคัญแล้วเราจะกอบกู้ประเทศชาติเมื่อกี้ว่าจะให้รอบสองอออรอบเดียวนี่ก็ยาวเต็มทีแล้วขอพักไว้แค่นี้ก่อนกันแล้วกันครับต้องกราบพระพกคนอย่างสูงครับผมคงจะไม่สรุปนะครับเพราะสิ่งที่ท่านพูดได้เป็นของที่ละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็เวลาก็เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยนะครับ